ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเหล่ามนุษย์ในทุกวันนี้จึงกลัดพระดำรัสนี้ว่าผู้ใดอยู่ได้นานผู้นั้นย่อมเป็นอยู่ได้หนึ่งร้อยปีน้อยหรือมากก็ไม่ถึง200ปีข้อว่าทิพานิปัญจวัสสตานิความว่าห้าสิบปีของพวกมนุษย์เป็นหนึ่งวัน ห้าร้อยปีอันเป็นประมาณปีทิพย์เพราะกำหนดเดือนและปีโดยเหมาะแก่วันนั้นเป็นประมาณอายุสมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าห้าสิบปีของเหล่ามนุษย์เป็นหนึ่งวันในเทวดาชั้นจตุหมหาราชนั้นสามสิบวันและคืนเป็นหนึ่งเดือนส2สองเดือนเป็นหนึ่งปี ห้าร้อยปีทิพย์โดยปีนั้นบันฑิตกล่าวว่าเป็นประมาณอายุบทว่ามนุษยคณะนายะได้แก่โดยนับปีของพวกมนุษย์ข้อว่าตโตจตุคุณังได้แก่สี่เท่าคือเอาสองคูณวันและปีอย่างนี้คือหนึ่งพันปีทิพย์เพราะเอาสองคูณวันซึ่งท่านกำหนดนับปีแบบมนุษย์ห้าสิบปี และ500ปีทิพย์ของเทวดาชั้นจตุมหาราช เ, เป็นประมาณอายุของเหล่าเทพชั้นดาวดึงก็4เท่านั้นเป็น 1,000 ปีโดยการนับแบบปีทิพย์เท่ากับ 3.6 ล้านปีโดยการนับแบบมนุษย์ ข้อว่าตโตจะตุคุณังยามานังความว่าสี่เท่าโดยนัยยะดังกล่าวแล้วจากประมาณอายุของพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงเป็นสองพันปีโดยการนับแบบทิพย์โดยการนับแบบมนุษย์จึงเป็นสิบสี่โกดสี่ล้านปีข้อว่าตโตจะตุคุณังตุสิตานังได้แก่สี่พันปีทิพย์โดยการนับแบบมนุษย์จึงเป็นห้าสิบเจ็ดโกดหกล้านปี ข้อว่าตโตจะถูกคุณนางนิ ม, มานารตีนังได้แก่แ0ดพันปีทิพย์โดยการนับแบบมนุษย์จึงเป็นสองอยสามสิบโกด4สี่ล้านปีข้อว่าตะโตจะถูกคุณนางประณิ ม, มิตะวสวรตีนังได้แก่หนึ่งหพันปีทิพย์แต่ท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงการนับแบบมนุษย์เสียเองทีเดียวจึงกล่าวคำว่านวสตันจะดังนี้เป็นต้นเชื่อมความว่าเก้าร้อยยี่สิบเอดโกร หกล้านปีเป็นประมาณอายุในเหล่าเทพชั้น ว, วสวรดีคำว่าทุติยาชาณะภูมิยังนี้ท่านพระอนุรุธทธาจารย์กล่าวด้วยอำนาจชาญจตุกนาลมีวาจาประกอบความว่าต่อจากปฏิสนธิการนั้นไปในประวัติการและในจุติการ รูปนั้นแลเป็นไปอย่างนั้นคือด้วยอำนาจพระวังคจิตและจุติจิตแล้วดับไปบทว่าเตสุได้แก่ในบรรดาพวกพรหมที่มีปฏิสนธิอันตนถือเอาแล้วด้วยปฏิสนธิเหล่านั้นบทว่ากัปปะสะได้แก่อสงไขกับความจริง การกำหนดอายุของพรหมสามจำพวกมีพรหมปาริสัชชาเป็นต้นด้วยอำนาจมหากัปชื่อว่าย่อมไม่มีเลยเพราะพรหมเหล่านั้นไม่เกิดมีในกัปที่บริบูรณ์โดยเหตุที่พรหมเหล่านั้นจะไม่พินาศแม้ในกัปหนึ่งไม่มี จริงอย่างนั้นโลกนี้พินา娜ด้วยไฟเจ็ดครั้งในครั้งที่แปดพิ娜ด้วยน้ําแล้วพินา์แม้ด้วยไฟอีกเจ็ดครั้งในครั้งที่แปดพิ娜ด้วยน้ํารวมความดังกล่าวมานี้เมื่อครบหมดแปดแปดครั้งแล้วในครั้งสุดท้ายโลกจึงพินา娜ด้วยลม ในบรรดาชั้นปฐมฌานเป็นต้นเหล่านั้นโลกพินาศด้วยไฟกระทั่งถึงชั้นปฐมฌานพินาศด้วยน้ำกระทั่งถึงชั้นทุติยชฌานและตัติยะฌานพินาศด้วยลมกระทั่งถึงชั้นจตุตถฌานแล่สมจริงดังคำที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าคราวที่โลกพินาศด้วยไฟเจ็ดครั้งเจ็ดคราวทุกทุกคราวที่แปดจึงพินาศด้วยน้า เมื่อครบรอหกสิบสี่คราวแล้วจึงมีคราวลมคราวหนึ่งโลกพินาศโดยไฟภายใต้แต่ชั้นอาพัสราโดยน้ำภายใต้แต่ชั้นสุภกินหาด้วยลมภายใต้แต่ชั้นเวหั พ, พลาโลกย่อมพินาศอย่างนี้ก็เพราะแม้ชั้นปฐมชาญทั้งสามจะไม่พินาศแม้ในกับหนึ่งไม่มีฉะนั้น เหล่าพรมปาริสัชชาเป็นต้นเหล่านั้นจึงไม่เกิดในกับทั้งสิ้นเพราะเหตุนั้นพึงเห็นการกำหนดอายุของเหล่าพรมปาริสัชชาเป็นต้นนั้นด้วยอำนาจแห่งอสงไขยกับแต่ว่าตั้งแต่ชั้นธุติยชาญเป็นต้นไปพึงเห็นการกำหนดอายุด้วยอำนาจมหากับที่บริบูรณ์ไม่พึงเห็นด้วยอานาจแห่งอสงไขกับก็ที่ชื่อว่าอสงไขกับ ได้แก่ส่วนที่สี่แห่งมหากับซึ่งมีสภาวะไม่หมดสิ้นไปแม้ในเมื่อกองเมล็ดพันธุ์ผักกาศหมดสิ้นไปโดยการนำพืชพันธุ์ผักกาศออกจากกองเมล็ดพันธุ์ผักกาศยาวคว้างด้านละหนึ่งโยชหนึ100่งร้อยปีต่อหนึ่งเมล็ดก็อสงขัยกับหนึ่งนั้นมีประมาณหกสิบสี่อันตรกับ ด้วยอำนาจอันตรกับที่ท่านกำหนดไว้อย่างนี้ว่าเมื่อสัตว์เป็นอันมากถึงความพินาด้วยความพินาอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาศาสตราหรือโรคหรือทุกพิกขภัยแล้วมีประมาณอายุจเจริญขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สิบปีจนถึง อสงไขยหนึ่งด้วยอานุภาพแห่งกุศลกรรมที่เป็นไปในสันดานของสัตว์ที่ยังเหลืออยู่แล้วมีอายุเสื่อมลงตามลำดับด้วยอำนาจสมาทานอาธรรมจนถึงมีอายุสิบปีอีกสัตว์ถึงความพินาศด้วยความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาโรคเป็นต้นชั่วเวลาเท่านี้เป็นอันตรกับหนึ่งอาจารย์บางพวกกล่าวว่าประมาณยี่สิบอันตรกับเทพเหล่าใดเข้าถึงชั้นอากาศสานันจายตนาภูมิเพราะเหตุ น, นั้นเทพเหล่านั้นจึงชื่อว่าผู้เข้าถึงชั้นอากาศสานันจายตนาภูมิบทว่าเอกามวิวความว่าเสมอกันโดยภูมิชาสัมปยุตธรรมและสังขาร น, นั่นเอง บทว่าเอกชาตยังได้แก่ในภพหนึ่งบัดนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงกรรมโดยอาการสี่อย่างจึงเริ่มคำว่าชนะกรงดังนี้เป็นต้นที่ชื่อว่าชนะ ก, กรรมเพราะอัตวิเคราะห์ว่าให้เกิด ที่ชื่อว่าอุปธรรมพกกรรมเพราะอธถวิเคราะห์ว่าเข้าไปสนับสนุนที่ชื่อว่าอุปปีรกกรรมเพราะอธถวิเคราะห์ว่าเข้าไปบีดเบียนที่ชื่อว่าอุปคาตกรรมเพราะอธถวิเคราะห์ว่าเข้าไปตัดรอนในบรรดากรรมเหล่านั้นกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาซึ่งเป็นตัวให้วิบากและกระตัดตารูปบังเกิดในปฏิสนธิการและประวัติการชื่อว่าชนกกรรม กุศลกรรมและอกุศลกรรมแม้เมื่อไม่สามารถให้วิบากบังเกิดเองได้ก็เป็นปัจจัยแก่กรรมอื่นในการให้วิบากบังเกิดนานกว่าหรือเป็นปัจจัยแก่ความเป็นไปนานกว่าอันเหมาะสมแก่ความสามารถแห่งชนกกรรมเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งปัจจัยอันเป็นตัวบั่นรอนวิบากนั่นเองซึ่งเป็นสุขและทุกข์ และเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัจจัยอันเป็นตัว พ, อพ่อภูนวิบากซึ่งเป็นสุขและทุกข์ชื่อว่าอุปัตธรรมภกกรรมกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นตัวขัดขวางความเป็นไปได้นานกว่าแห่งวิบากที่กรรมอื่นให้เกิดโดยขัดขวางเครื่องหมายมีพยาธิและความมีท่าเสมอกันเป็นต้นชื่อว่าอุป ป, ปีลกกรรมส่วน กรรมที่ห้ามวิบากของกรรมที่ทุรพลนั้นแล้วให้วิบากบังเกิดเสียเองโดยให้เกิดปัจจัยอันเป็นตัวเข้าไปบัณรความสามารถของกรรมที่ยังกรรมอันทุรพลให้เกิดชื่อว่าอุปคาตกรกรรมความจริงชนกกรรมและอุปคาตกรกรรมมีความแปลกกันดังนี้คือ ชนุกกรรมไม่เข้าไปตัดวิบากของกรรมอื่นเลยยังวิบากให้เกิดอุปคาตรกรรมมุ่งเข้าไปบัรรอนนี้เป็นความตกลงใจในอัตถกถาทั้งหลายก่อนส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าอุปปีลกกรรมย่อมเบียดเบียนวิบากของกรรมอื่นในระหว่างในระหว่างโดยนำปัจจัยมีความเป็นผู้อาพาธหนักเป็นต้นเข้าไป ส่วนอุปาคาตกกรรมเข้าไปตัดวิบากนั้นโดยประการทั้งปวงแล้วจึงให้โอกาสแก่กรรมอื่นแต่อุปาคาตกกรรมนั้นไม่ใช่เป็นตัวให้วิบากเกิดเสียเองความจริงความแปลกกันแห่งอุปาคาตกกรรมนี้จากชนะ ก, กรรมปรากฏชัดแล้วด้วยประการชนิดบทว่า กิจวเวเสนได้แก่ด้วยอำนาจทำหน้าที่ให้เกิดช่วยอุปถัมเข้าไปเบียดเบียนและเข้าไปบันรอนที่ชื่อว่าครุ ก, กรรมได้แก่กรรมที่มีโทษมากและกรรมที่มีอนุภาพมากอันกรรมอื่นไม่สามารถจะห้ามได้ที่ชื่อว่าอาสรนกรรมได้แก่กรรมที่บุคคลระลึกได้ในเวลาใกล้ตายและกรรมที่บุคคลทำในการนั้น ที่ชื่อว่าอาจินตกรรมได้แก่กรรมที่บุคคลทำเนืองๆหรือกรรมที่บุคคลแม้ทำครั้งเดียวแต่ไฝ่ใจถึงอยู่เสมอที่ชื่อว่ากตาัตากรรมได้แก่กรรมที่ไม่ถึงความเป็นครุ ก, กะกรรมเป็นต้นพึงเรียกว่าเป็นกรรมได้เพราะเพียงเป็นกรรมที่ทำแล้วเท่านั้นบรรดากรรมสี่ประการนั้น จะเป็นกุศลกรรมหรือจะเป็นอกุศลกรรมก็ตามบรรดาครุกกรรมและไม่ใช่ครุกกรรมกรรมใดเป็นครุกกรรมในฝ่ายอกุศลกรรมได้แก่มาตุคาตกรรมเป็นต้นหรือในฝ่ายอกุศลกรรมได้แก่มากัตตกรรมกรรมนั้นนั่นแหละย่อมให้ผลก่อนเมื่ออาสนกรรมเป็นต้นแม้ยังมีอยู่เปรียบเหมือนห้วงน้าใหญ่ไหลท่วม วงน้ำน้อยไปฉะนั้นจริงอย่างนั้นกรรมนั้นท่านเรียกว่าครุกกรรมเมื่อครุกกรรมนั้นไม่มีบรรดากรรมไกลและกรรมใกล้กรรมใดเป็นกรรมใกล้คือกรรมที่ระลึกได้ในเวลาใกล้าตายกรรมนั้นแหละย่อมให้ผลก่อนในกรรมที่บุคคลทําในเวลาใกล้าตายไม่มีคําที่จะต้องพูดถึงเลย แม้เมื่ออาสัญนกรรมนั้นไม่มีบรรดาอาจินนกรรมและมิใช่อาจินนกรรมกรรมใดเป็นอาจินนกรรมคือความเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์ก็ตามความเป็นผู้ทุศีลก็ตามกรรมนั้นนั่นแหละย่อมให้ผลก่อนส่วนกตตากรรมที่ได้อาเสวนาแล้วย่อมชักปฏิสนธิจิตมาได้ในเมื่อไม่มีกรรมสามประการข้างต้นรวมความว่าครุ ก, ก, รกรรมย่อมให้ผลก่อนเพื่อน เมื่อครุ ก, ก, กรรมไม่มีอาสันนกรรมย่อมให้ผลก่อนแม้เมื่ออาสันนกรรมนั้นก็ไม่มีอาจินนกรรมย่อมให้ผลก่อนเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่าปากะทานะปริยาเยนะดังนี้อธิบายความว่าตามลำดับการให้ผล ส่วนในอัตรกรถาทั้งหลายมีอภิธรรมมาวาตาลเป็นต้นท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวอาจินตกรรมว่าให้ผลก่อนอาสันณกรรมเปรียบเสมือนเมื่อบุคคลเปิดประตูคอกที่เต็มด้วยฝูงโคแล้วโคตัวใดอยู่ใกล้ประตูคอกโดยที่สุดแม้จะเป็นโคแก่ทุรพลภาพโคตัวนั้นแหละย่อมออกไปก่อน เมื่อโคหนุ่มและโคแข็งแรงแม้ก็ยังมีอยู่ด้านหลังฉันใดอาสันนกรรมนั่นแหละชื่อว่าย่อมให้ผลก่อนเพราะเป็นกรรมที่ใกล้เวลาตายเมื่อกุศลกรรมและอกุศลกรรมอื่นจากครุ ก, กรรมแม้ก็ยังมีอยู่ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นในปรกรณ์นี้ท่านพระอนุรัตาจารย์จึงกล่าวอาสันนกรรมนั้นไว้ก่อน กรรมใดอันสัตว์พึงเสวยในทิฏฐธรรมคือในอัตภาพที่เห็นประจักษ์ได้แก่ที่เป็นปัจจุบันนั้นด้วยอำนาจเสวยวิบากเพราะเหตุนั้นกรรมนั้นชื่อว่าทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมกรรมอันสัตว์พึงเกิดขึ้นเสวยในภพอันเป็นลำดับติดต่อการจากภพปัจจุบันชื่อว่าอุปปัชชเวทนิยกรรม กรรมอันสัตว์พึงเสวยในพบต่ อ, ตอไปคือในอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งอื่นจากอัตภาพปัจจุบันชื่อว่าอัปราปริยเวทนียกรรมกรรมได้มีเสร็จแล้วคือกรรมที่ไม่สมควรพูดอย่างนี้ว่าวิบากของกรรมนั้นได้มีแล้วมีอยู่หรือว่าจากมีชื่อว่าอโหสิกรรม บรรดากรรมสี่อย่างนั้นเชวนะจิตดวงที่หนึ่งซึ่งถึงภาวะที่มีพลังรุนแรงเพราะไม่ถูกทมที่เป็นค่าศึกทั้งหลายครอบงำและเพราะได้ความพิเศษโดยปัจจัยพิเศษเป็นธรรมชาติดียิ่งด้วยอำนาจความปรุงแต่งเบื้องต้นเช่นนั้นมีปกติให้ผลในอัตภาพนั้นนั่นแหละชื่อว่าทิฏฐธรรมะเวทนยกรรม ความจริงชวนาจิตดวงที่หนึ่งนั้นไม่ใช่เป็นกรรมที่เพ่งถึงการเข้าไปตัดรอนความสืบต่อที่เป็นปลายวงและเปิดของกรรมอื่นเสียวงและปิดในความสืบต่อแห่งชวนาจิตที่มีพลังรุนแรงโดยประการดังกล่าวแล้วเพราะความเป็นไปด้วยอำนาจธรรมอุปการะหรือทําการเบียดเบียนในท่าน ผู้ประกอบด้วยคุณวิเศษทั้งหลายและไม่ใช่เป็นกรรมที่เพ่งถึงการได้โอกาสเหมือนกับกรรมทั้งสองวงและเปิดคืออุป ป, ปัชชะเวทนิยกรรมและอปราปริยะเวทนิยกรรมวงและปิดนอกนี้เพราะเป็นกรรมที่มีวิบากน้อยโดยไม่ได้อาเสวณปัจจัยเพราะเหตุนั้น ชวนาจิตดวงที่หนึ่งนั้นจึงให้วิบากที่เป็นอาเหตุุกะซึ่งเป็นเพียงวิบากในประวัติการในอัตภาพนี้เท่านั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีเพียงดอกวงเละเปิดแต่ไม่มีผลวงเละปิดฉะนั้นส่วนชวนจิตดวงที่เจ็ดซึ่งให้สาเร็จความต้องการเป็นชวนะจิต ที่ให้ความต้องการมีการให้ทานเป็นต้นสำเร็จได้ด้วยดีโดยได้ความวิเศษโดยนัยยะที่กล่าวแล้วมีปกติให้วิบากในอัตภาพถัดไปชื่อว่าอุป ป, ปัชชะเวทนียกรรมก็ชวนาจิตดวงที่เจดนั้นครั้นให้ปฏิสนธิแล้วก็ให้วิบากในประวัติการด้วยแต่เมื่อชวนาจิตดวงที่เจดนั้น ไม่ให้ปฏิสนธิเสียแล้วก็ไม่มีคำพูดว่าย่อมให้วิบากในประวัติการความจริงฐานอันเป็นลำดับติดต่อการแห่งจุติเป็นโอกาสของอุปปัชชะเวทนิยกรรมอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าก็เมื่อชวนาจิตดวงที่เจ็ดนั้นให้ปฏิสนธิแล้ว ชาวนาจิตดวงที่เจ็ดนั้นย่อมให้วิบากในประวัติการได้แม้ตั้งร้อยชาติชาวนาจิตห้าดวงที่เป็นไปวงรละเปิดคือเกิดวงและปิดในท่ามกลางชาวนาจิตดวงแรกกับดวงสุดท้ายซึ่งไม่ถึงความเป็นทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมเป็นต้นเพราะเว้นจากเหตุตามที่กล่าวแล้ว ให้วิบากสำเร็จได้ในปฏิสนธิการและประวัติการเมื่อมีการได้โอกาสในการใดาการหนึ่งเพราะเป็นกรรมที่มีสภาวะคือการให้วิบากยังไม่ถูกกัดรอนชื่อว่าอปปราปะระเวทนญยกรรมนหนึ่งกรรมสองอย่างวงเล็บเปิดคือทิฏฐธรรมะเวทนญยกรรมและอุปปัชชเวทนญยกรรมวงเล็บปิด เบื้องต้นที่ล่วงการของตนของตนไปแล้วก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมและแม้อภิราปริยะเวทนิยกรรมที่สามก็ชื่อว่าเป็นอโหสิกรรมได้ในเมื่อความเป็นไปแห่งสังสารวัตรขาดลงแล้วบทว่าปากะกาละวะเสนขวามว่า ด้วยอำนาจการตามที่กําหนดไว้ของกรรมสามอย่างข้างต้นอย่างนี้คือในปัจจุบันนัการในการถัดจากปัจจุบันนัการนั้นไปในการใดการหนึ่งและด้วยอำนาจความไม่มีแห่งการตามที่กําหนดนั้นของอโหสิกรรมนอกนี้ความจริงอโหสิกรรมย่อมมีการบัญญัติว่าอโหสิกรรมนั้นเพราะล่วงเลยการนั่นเอง บทว่าปากัดฐานะวศินะได้แก่ด้วยอำนาจภูมิที่ให้ผลบัตินี้ ท่านพระอนุรุทธาจารย์หวังจะแสดงความเป็นไปแห่งอากุศลกรรมเป็นต้นด้วยอำนาจเทวานแห่งกายกรรมเป็นต้นและประเภทแห่งอากุศลกรรมเป็นต้นนั้นมีสิบอย่างเป็นอาธิด้วยอำนาจปานาธิบาตเป็นต้นโดยมุ่งแสดงถึงความเป็นไปแห่งอากุศลกรรมเป็นต้นด้วยอำนาจทวานแห่งกายกรรมเป็นอาทินั้นจึงเริ่มคำว่าตัดฐากุสลังดังนี้เป็นต้น กรรมที่เป็นไปในกายทวารชื่อว่ากายกรรมวจีกรรมเป็นต้นก็เหมือนกันการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกไปโดยพลันไม่ให้ค่อยๆตกไปชื่อว่าปานาติบาตการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยกายหรือวาจาชื่อว่าอธินาทานการประพฤติผิดในกามทั้งหลายกล่าวคือ การล่วงละเมิดเมถุนธรรมชื่อว่าการเมสุมิฉาจารในอกุศลกรรมบทมีปานาติบาตเป็นต้นนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังก่าไปนี้ที่ชื่อว่าปราณโดยโวหารได้แก่สัตว์โดยประมาติได้แก่ชีวิตตินซีเจตนาคิดจะฆ่าของบุคคลผู้มีความสำคัญในสัตว์มีชีวิตนั้นว่าเป็นสัตว์มีชีวิต ซึ่งให้เกิดความพยายามเข้าไปตัดรอนชีวิตินทรี่ชื่อว่าปานาติบาตเจตนาคิดจลักษณของบุคคลผู้มีความสําคัญในสิ่งของของผู้อื่นว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งให้เกิดความพยายามถือเอาสิ่งของของผู้อื่นนั้นชื่อว่าอะทินนาทานเจตนาล่วงละเมิดฐานะ ที่ไม่ควรถึงซึ่งเป็นไปทางกายทวานั้นด้วยอำนาจเสพอสัตยธรรมชื่อว่ากาเมสุมิฉาจาร์อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าแม้การดื่มสุราท่านก็รวมเข้าในบทว่ากาเมสุมิฉาจาร์นี้เหมือนกันเพราะเป็นการประพฤติผิดในกามกล่าวคือรสคําว่าในกาทวากล่าวคือกายวินยติโดยอาจว่า ในทวารแห่งกรรมอันท่านเรียกว่ากายทวารเพราะเป็นกายที่ไหวและเพราะเป็นทางเป็นไปของกรรมที่ท่านเรียกว่ากายวินยติอ่านว่าวินยติตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2542เพราะให้ผู้อื่นทราบความประสงค์ได้ด้วยกาย และเพราะตนเองทราบได้ด้วยกายได้แก่อาการเปลี่ยนแปลงของรูปกราบอันยิ่งด้วยวาโยธาต์เกิดแต่จิตที่ให้เกิดอาการก้าวไปเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งสหชรูปที่กระทำการค้ำจุนเป็นต้นร่วมกันก็ถึงแม้วิ ญ, ญัตินั้น อันจิตุบาทที่สารโคตด้วยกรรมนั้นๆเท่านั้นแลย่อมให้เกิดก็จริงถึงกระนั้นเมื่อวิญยตินั้นเป็นไปอยู่กรรมที่ให้วิญยตินั้นตั้งขึ้นพร้อมก็ย่อมมีโวหารเรียกได้ว่ากายกรรมเป็นต้นเหตุนั้นวิญยตินั้นจึงได้เพื่อจะกล่าว โดยความเป็นทางเป็นไปของกรรมนั้นเมื่อท่านอาจารย์กล่าวแต่เพียงเท่านี้ว่าเพราะความเป็นไปในกายทวารดังนี้เท่านั้นแล้วจะพึงปรากฏคำท้วงดังนี้ว่าถ้าเช่นนั้นไม่ควรมีการกำหนดกรรมและทวารแท้ที่จริงกรรมที่เป็นไปแล้วในกายทวารย่อมเรียกได้ว่ากายกรรม และทวารที่เป็นทางเป็นไปของกายกรรมย่อมเรียกได้ว่ากายทวารอันหนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้วาจาสังการทมปาณาติบาตเป็นต้นก็ย่อมมีกายกรรมเป็นไปแม้ในวจีทวารเหตุนั้นจึงไม่ควรมีการกำหนดกรรมด้วยทวาร และสำหรับผู้ใช้กายวิการกระทาวจีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นก็ย่อมมีวจีกรรมเป็นไปแม้นายกายทวารเหตุนั้นจึงไม่ควรมีแม้การกําหนดทวารด้วยกรรมดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์เพื่อจะแสดงการกําหนดในวงเล็บกรรมด้วยความเป็นไปแห่ง ก, กรรมมากในวงเล็บในทวาร จึงกล่าวคําว่าพาหุละวุตตโตในบทว่าพาหุละวุตตโตนี้มีอธิบายดังนี้ว่าความจริงกายกรรมเป็นไปเฉพาะในกายทวารมากเป็นไปในวจีทวาร น, น้อยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสําเร็จแม้ความเป็นกายกรรมได้ เพราะเป็นไปมากเฉพาะในกายทวารเปรียบเสมือนคนที่เที่ยวไปในป่าเป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นพรานป่าเป็นต้นฉะนั้นอนหนึง่งกายยกรรมเท่านั้นย่อมเป็นไปในกายทวารโดยมากวจีกรรมและมโนกรรมนอกนี้หาเป็นไปโดยมากไม่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสำเร็จความเป็นทวารแห่งกายกรรมเพราะกายกรรมเป็นไปในกายทวานนี้แหละโดยมาก เปรียบเสมือนบ้านพราหมณ์เป็นต้นได้ชื่อว่าเป็นบ้านพราหมณ์เป็นต้นฉะนั้นเพราะเหตุนั้นในการกําหนดกรรมและถวาวรจึงไม่มีข้อห้ามอะไรบทว่ามุสาได้แก่เรื่องไม่เป็นจริงที่ชื่อว่ามุสาวาศเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องกล่าวเรื่องที่ไม่จริงนั้นโดยความเป็นจริงแห่งเหล่าชน ที่ชื่อว่าปิสุณวาจาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าบทคือขยี้ความสามัคคีให้แหลกละเอียดหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าซัดคือกระทําความเป็นที่รักให้ศูนย์ที่ชื่อว่าพุรุสวาจาเพราะอัตวิเคราะห์ว่ากระทําทั้งตนเองทั้งผู้อื่นให้หยาบกระด้างหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่ามีสัมผัสแข็งกระด้างเปรียบเหมือนเลื่อยฉะนั้น ธรรมชาติที่ชื่อว่าสัมผัสเพราะอัตวิเคราะห์ว่าแพ่ไปคือสร้างไปเลยความดีได้แก่ค ว, แก ค, ค, ความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลคือทําความสุขและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลให้เสียหายไปได้แก่ถ้อยคําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่เป็นอุปการะแก่ตนและชนเหล่าอื่นที่ชื่อว่าสัมผัสปลาปะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องกล่าวถ้อยคําที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นแห่งชน บรรดาวจีทุจริตีมีมุสาวาทเป็นต้นเหล่านั้นเจตนาของผู้ต้องการจะให้ผู้อื่นทราบเรื่องที่ไม่เป็นจริงโดยเป็นเรื่องจริงซึ่งให้เกิดความพยายามในการให้ผู้อื่นทราบว่าเป็นจริงชื่อว่ามุสาวาทมุสาวาทนั้นเฉพาะที่ทําลายประโยชน์ของผู้อื่นอย่างเดียวจึงเป็นกรรมบทนอกจากนี้เป็นเพียงกรรมเท่านั้น เจตนาที่เศร้าหมองซึ่งให้เกิดวิจีประโยคเป็นเครื่องทําให้ผู้อื่นให้แตกกันโดยต้องการให้ชนเหล่าอื่นแตกกันก็ตามต้องการให้ตนเป็นที่รักก็ตามชื่อว่าปิสุนวาจาแม้ปิสุณวาจานั้นเมื่อชนทั้งสองฝ่ายแตกกันแล้วเท่านั้นจึงเป็นกรรมบท เจตนาที่หยาบโดยส่วนเดียวซึ่งให้เกิดวัจจประโยคเป็นเครื่องกัดความรักของผู้อื่นชื่อว่าพรุสวาจาความจริงเมื่อยังมีความที่จิตเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนขึ้นชื่อว่าพรุสวาจาหาหมีไม่เจตนาที่เศร้าหมองซึ่งให้เกิดความพยายามในการให้ผู้อื่นทราบถึงเรื่องที่ไร้ประโยชน์มีเรื่องนำนางศรีดามาเป็นต้นชื่อว่าสัมผัปลาปะ ก็สัมผัสปลาปะนั้นเมื่อชนอื่นรับรู้เนื้อความนั้นเท่านั้นจึงเป็นกรรมบทข้อว่าวจีวิญยติสังขาเตวจีทวารีความว่าในกรรมทวากรกล่าวคือชื่อว่าวจีวิญยติเพราะอธิวิเคราะห์ว่าให้ผู้อื่นทราบความประสง์ด้วยวาจาและตนเองก็รู้ความประสงได้ด้วยวาจาได้แก่ กล่าวคือชื่อว่าวจีทวานเพราะเป็นการเคลื่อนไหววาจาและเพราะเป็นทางเป็นไปแห่งกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งรูปกรลาบที่ยิ่งด้วยปัทวีธาตุซึ่งมีจิตคิดให้เกิดความพยายามเป็นเครื่องเปล่งวาจาเป็นสมุทฐานคำว่าพาหุลวุติโตนี้มีนัยะดังกล่าวแล้วนั่นแหละ ที่ชื่อว่าอภิชาเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเพ่งมุ่งเฉพาะสมบัติของผู้อื่นได้แก่คิดถึงสมบัติของผู้อื่นด้วยอำนาจโลภะที่ชื่อว่าพยาบาลเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องถึงความพิาตษแห่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขที่ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเห็นผิดคือวิปริต บรนดามโนทุจริตมีอภิชาเป็นต้นนั้นการเพ่งถึงสิ่งของของผู้อื่นอย่างนี้ว่าชะนยหยเนอสิ่งของนี้พึงเป็นของเราชื่อว่าอภิชาอภิชานั้นย่อมเป็นกรรมบุเฉพาะโดยการน้อมสิ่งของของผู้อื่นมาเพื่อตนความคิดประทุษร้ายอย่างนี้ว่าชะนยหยเนาสัตว์นี้จะพึงพินาศ ช, ชื่อว่าพยาบาท ความเห็นผิดโดยนัยเป็นต้นว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผลดังนี้ชื่อว่ามิจฉาทิฐิแต่ในมิจฉาทิฐินี้กรรมบกขาดได้โดยนติกาทิฐิอเหตุกาทิฐิและอกิอริยทิฐิเท่านั้นส่วนความพิสดารด้วยอำนาจการกําหนดองค์เป็นต้นแห่งอกุศลกรรมบกฏสิบประการเหล่านี้บัณฑิตพึงค้นดูได้โดยนัยที่มาแล้วในปากกอนั้นนั้ น, น, น ข้อว่าอัญญัตราปิวิญญาติยาได้แก่แม้เว้นกายวิญญาติและวจีวิญญัติอธิบายว่าแม้ไม่ให้กายวิญญัติและวจีวิญญัตินั้นตั้งขึ้นก็บรรดาอากุศลกรรมบทมีอภิชาเป็นต้นนี้มโนทุจริตมีอภิชาเป็นต้นซึ่งสัมพยุดด้วยจิตอันให้เกิดวิญญาติ ย่อมเป็นไปในฝ่ายเจตนาอย่างเดียวข้อว่าโทสะมูเลเณชายันติความว่าปานาติบาหนึ่งรุสวาจาหนึ่งพยาบาทหนึ่งย่อมเกิดด้วยเหตุเป็นมูลรากกล่าวคือโทสะหรือด้วยจิตที่มีโทสะเป็นมูลโดยสหชาติปัจจัยเป็นต้น หาเกิดด้วยเหตุอันเป็นมูลรากมีโลภะมูลเป็นต้นไม่ความจริงพระราชาทั้งหลายที่กำลัง ท, งทรงพระสวนอยู่ก็ทรงรับสั่งให้ประหารได้ด้วยพระหัทไทยที่มีโทสะเป็นมูลนั่นเองแม้ในพระรสวาจาและพยาบาทก็พึงเห็นถ้อยคำตามสมควรอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะความเห็นผิดยึดมั่นในวัตถุที่พึงยึดมั่นทั้งหลายมีโลภะเป็นตัวนำหน้านั่นเองท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่ามิจฉาทิฏฐิจะโลภะมูเลนะดังนี้ข้อว่าเสสานิเปสัมภวันติความว่าอันดับแรกผู้ใดมุ่งประโยชน์มีการป้องกันตนเองและพวกพ้องเป็นต้นลากเอาสิ่งของที่ตนต้องการก็ตามไม่ ไม่ต้องการก็ตามไปอธินาทานของผู้นั้นย่อมมีเพราะโลภมูลอธินาทานของผู้ที่ลักของผู้อื่นเพื่อจะแก้แค้นย่อมมีเพราะโทสะมูลการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ของพระราชาทั้งหลายผู้ริบเอาสมบัติของผู้อื่นไปเพื่อจะข่มคนชั่วตามบทบัญญัติพระธรรมนูญก็ดี การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ของพราหมณ์ทั้งหลายผู้กล่าวว่าสิ่งของทั้งหมดนี้ในหลวงได้พระราชทานไว้แล้วแก่พวกพราหมณ์แต่ชนพวกอื่นพากันใช้สอยเพราะพวกพราหมณ์เหล่านั้นมีกำลังอ่อนแอ ก, กว่าคนทุกจำพวกพวก พ, วกพราหมณ์ย่อมใช้สอยเฉพาะของตนดังนี้เป็นต้นแล้วนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปด้วยความสำคัญว่าเป็นของ ของตนนั่นเองก็ดีการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ของพวกที่มักพูดปฏิเสธความเกี่ยวเนื่องกันแห่งกรรมและผลกรรมก็ดีย่อมมีเพราะโมหะมูลแม้ในว จ, จีทุจริตมีมุสาวาทเป็นต้นก็พึงประกอบถร้อยคำตามสมควรอย่างนี้เหมือนกันการมาวาจรกุศลกรรมนี้แม้เกิดขึ้นอยู่ในอารมหกด้วยอานาจกรรมสามอย่าง ก็ย่อมเกิดขึ้นโดยการกำหนดสามอย่างเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่าตถาทานศสีลภาวนาวเสนาดังนี้ความจริงบรรดาบุญกิริยาวัตถุที่แสดงไว้สิบประการท่านรวบรวมปฏิทานะใหมกับปัตตานุโมทนาใหทั้งสองอปจญยนะัยกับวิยาวจจะใทั้งสองอีก และธรรมโนมรรมสนาใหมธรรมเทศนาใหมกับทิฏฐุชุกรรมทั้งสาเข้าในบุญกริยาวัตถุสามประการมีทานและศีลเป็นต้นตามลําดับแต่เหตุในการรวบรวมไว้ในบุญกริยาวัตถุสามประการข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปส่วนวาจาเป็นเครื่องประกอบความเป็นไปแห่งบุญกริยาวัตถุเหล่านั้นในอารมณหก และในทวารแห่งกรรมสามพึงค้นดูตามนัยยะที่มาแล้วในอัตถกถาเป็นต้นที่ชื่อว่าทานเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันบุคคลให้ได้แก่เจตนาเป็นเครื่องบริจาคแม้ในศีลเป็นต้นที่เหลือก็มีนัยยะนี้เหมือนกันที่ชื่อว่าศีลเพราะอัถวิเคราะห์ว่าคงที่ ที่ชื่อว่าศีลเพราะอัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องตั้งมั่นคือดำรงอยู่โดยชอบแห่งจิตอธิบายว่าจิตตั้งกายกรรมและวจีกรรมได้โดยชอบคือวางกายกรรมและวจีกรรมไว้โดยชอบอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าศีลเพราะอัิวิเคราะห์ว่ารองรับไว้คือเข้าไปรองรับไว้ ก็ภาวะเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าความเข้าไปรองรับไว้ในที่นี้สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสีเลปฏิฐายะดังนี้เป็นต้นที่ชื่อว่าภาวนาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องให้กุศลธรรมทั้งหลายเกิดมีคือเศษคุณได้แก่ทากุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญแห่งชน ที่ชื่อว่าอป จ, จายณนะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องประพฤตอ่อนน้อมคือทำความชอบยิ่งด้วยอำนาจการบูชาแห่งชนภาวะแห่งบุคคลผู้ขวนขวายในการกระทากิจนั้ น, น, นชื่อว่าไวยาวัจที่ชื่อว่าปฏิทานะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องอันชนให้ส่วนบุญที่บังเกิดในสันดานของตน ที่ชื่อว่าปตานุโมทนาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องพลอยชื่นชมส่วนบุญแห่งชนที่ชื่อว่าธรรมะ ส, สวัสเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องฟังธรรมแห่งเหล่าชนที่ชื่อว่าธรรมเทศนาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องแสดงธรรมแห่งเหล่าชนการทําความเห็นแจ้งให้ตรงชื่อว่าทิฏฐุชุกรรม บรรดาบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นนั้นเจตนาของบุคคลผู้มีสันดานที่ยังมีอนุสัยซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจสละสิ่งของที่มีอยู่ของตนเพื่อต้องการจะบูชาหรืออนุเคราะห์ชนเหล่าอื่นชื่อว่าทานน้ำใหม่ เจตนาอันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นและภายหลังซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแสวงหาทานวัตถุและด้วยอำนาจระลึกถึงทานวัตถุที่ตนให้แล้วด้วยจิตที่สรคตด้วยโสมนัตย่อมถึงการรวมลงในทานใหม่นี้เหมือนกันแม้ในบุญกิริยาวัตถุมีศีลเป็นต้นที่เหลือก็พึงเห็นถ้อยคําตามสมควรเหมือนกัน เจตนาที่เป็นไปแล้วของบุคคลผู้สมาทานศีลห้าศีลแปดหรือศีลสิบด้วยอำนาจนิจศีลเป็นต้นบำเพ็ญอยู่ก็ดีแม้ไม่ได้สมาทานแต่งดเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตที่มาประจบเข้าก็ดีผู้สมาทานสองวรในโรงอุโบสถบำเพ็ญปริสุดที่ศีลสี่ให้บริบูรณ์ก็ดีชื่อว่า เจตนาที่มีโคตรรภูเป็นที่สุดที่เป็นไปด้วยอำนาจการบริกรรมในกรรมฐานสี่สิบและการพิจารณาในภูมิธรรมมีขันเป็นต้นยังไม่ถึงอั ป, ปนาชื่อว่าภาวนามัยแม้เจตนาเป็นเครื่องเล่าเรียนวิชาที่ปราศจากโทษเป็นต้นก็ย่อมถึงการรวมลงในภาวนามัยนี้เหมือนกัน เจตนาเป็นเครื่องกระทําความนับถือมากต่อท่านผู้เจริญที่สุดทั้งหลายโดยวัยและโดยคุณด้วยวิธีมีการลุกรับและการนำเอาอาสนะมาให้โดยอัธยาศัยที่ไม่เศร้าหมองซึ่งไม่หวังการตอบแทนในปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นชื่อว่าอปจายณนะใหม่เจตนาเป็นเครื่องช่วยทากิจนั้น แกท่านผู้เจริญที่สุดเหล่านั้นนั่นแหละและแกผู้ป่วยไข้ทั้งหลายโดยอัถยาศัยตามที่กล่าวแล้วชื่อว่าวัยาวัจจะไม่เจตนาเป็นเครื่องมุ่งหวังถึงความที่บุญซึ่งบังเกิดแล้วในสันดานของตนเป็นธรรมชาติทั่วไปสำหรับชนเหล่าอื่นชื่อว่าปฏิธานไม่ เจตนาเป็นเครื่องพลอยยินดีอย่างยิ่งถึงบุญที่บุคคลอื่นให้แล้วหรือแม้ที่เขายัางมิได้ให้ด้วยจิตที่ปราศจากมนทินคือความตรณีชื่อว่าปัตตานุโมทนาใหม่เจตนาเป็นเครื่องฟังสิ่งที่อ้างถึงผลประโยชน์เกื้อกูลด้วยอัธยาศัยที่ไม่เศร้าหมองซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจ แห่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองหรือแก่ชนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าเราฟังธรรมนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติอยู่ในธรรมนั้นโดยนยะดังกล่าวแล้วจะเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณวิเศษอันเป็นโลกิยะและโลกุตระหรือจะเป็นผู้หูสูดอนุเคราะห์ชนเหล่าอื่นด้วยการแสดงธรรมเป็นต้นชื่อว่าธรรมมัตสวาณะไหม แม้เจตนาซึ่งเป็นเครื่องฟังวิชาที่ปราศจากโทษเป็นต้นอันบันดิตก็รวมเข้าในธรรมะสวนใหม่นี้เหมือนกันเจตนาเป็นเครื่องแสดงอ้างถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลโดยโยนิโสมนสิการโดยไม่เพ่งเล็งถึงลาบและสการะเป็นต้นชื่อว่าธรรมะเทสนาใหม่ แม้เจตนาเป็นเครื่องแสดงอ้างถึงวิชาที่ปราศจากโทษเป็นต้นก็ถึงการรวมเข้าในธรรมะเทศนาใหม่นี้เหมือนกันการกระทำความเห็นให้ตรงด้วยอำนาจสมมาทิฐิที่เป็นไปโดยนยะเป็นต้นว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลจริงดังนี้ชื่อว่าทิฏฐุกชุกกรรมถามว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้น ย่อมไม่ได้ความที่จิตุบาทที่เป็นญาณวิปยุตเป็นบุญกิริยาวัตถุคือทิฏฐุชุกรรมตอบว่าย่อมไม่ได้หามิได้เพราะรวมแม้เจตนาดวงที่เกิดก่อนและดวงที่เกิดภายหลังเข้าในบุญกิริยาวัตถุนั้นนั่นเองความจริงในเวลาทำความเห็นให้ตรงจิตย่อมเป็นญาณสัมปยุตเท่านั้นแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้นในการเบื้องต้นและการภายหลังจิตย่อมเป็นญาณวิปยุตได้บ้างเพราะเหตุนั้นแม้ความที่จิตเป็นญาณวิปยุตนั้นเป็นทิฏฐุชุกรรมจึงถูกต้องแลพอทีไม่ต้องให้พิสดารมากนัก ก็บรรดาบุญกิริยาวัตถุสิบประการมีธานามัยเป็นต้นเหล่านี้ปฏิธานามัยกับปัตตานุโมทนาไัยชื่อว่าย่อมถึงการรวมเข้าในานามัยเพราะมีภาวะเหมือนกับานามัยนั้นความจริงแม้ธานามัยก็ย่อมเป็นค่าศึกก่ออิสาเจตสิกและมัชฉริยะเจตสิก ปฏิทานามัยกับปัตตานุโมทนาไมยแม้เหล่านั้นก็เป็นค่าศึกต่ออิสระเจตสิกและมัจฉริยะเจตสิกเพราะเหตุนั้นปฏิทานามัยกับปัตตานุโมทนาไมยเหล่านั้นท่านอาจารย์จึงรวมเข้าในทานามัยบุญกริยาวัตถุเพราะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันโดยมีค่าศึกเหมือนกัน อภัจญนามัยและวยาวัจมัยท่านอาจารย์รวมเข้าในศีละไม่บุญกิริยาวัตถุเพราะความเป็นจริตศีลท่านอาจารย์ธรรมปาละเถระกล่าวว่าส่วนธรรมทศนามัยธรรมสวณนาไม่และทิฏฐุชุกกรรมย่อมถึงการรวมเข้าในภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ เพราะเป็นการส่องเสบกุศลธรรมแต่อาจารย์อีพวกหนึ่งกล่าวว่าบุคคลผู้แสดงและสะดับอยู่ทรงยานไปตามแนวแห่งเทศนาย่อมแสดงและสะดับธรรมรู้แจ้งไตรลักษ และธรรมเทสนากับธรรมสนะเหล่านั้นจึงชื่อว่าย่อมนำปฏิเวทธรรมมาได้แน่นอนเพราะเห็นนั้นธรรมเทสนามัยกับธรรมโสนหม่จึงถึงการรวมเข้าในภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุบัณฑิตอาจกล่าวได้แม้ว่าธรรมเทสนามา ย, ย่อมถึงการรวมเข้าในธานามัยบุญกิริยาวัตถุเพราะมีภาวะเหมือนกับธรรมทาน สมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าการให้ทำย่อมชนะการให้ทั้งปวงดังนี้เป็นต้นอันหนึ่งทิฏฐุชุ ก, กรรมย่อมถึงการรวมเข้าในบุญกุริยาวัตถุเก้าประการแม้ทั้งหมดเพราะมีลักษณะเป็นเครื่องกําหนดบุญกุริยาวัตถุเก้าประการทั้งปวง ความจริงบรรดาบุญกิริยาวัตถุมีทานน้ำไมเป็นต้นบุญกิริยาวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นไปโดยนัยยะเป็นต้นว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลจริงชำระให้สะอาดแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมาก ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวแล้วอย่างนี้ในอัตตกถาทีข้นิกายพระพุทธโคสาจารย์จึงกล่าวว่าทิฏฐุชุกรรมมีลักษณะเป็นเครื่องกำหนดบุญกิริยาวัตถุก้าวประการทั้งปวง บัณฑิตพึ่งเห็นความตกลงใจว่าโดยย่อบุญกริยาวัตถุมีเพียงสามอย่างเท่านั้นเพราะรวมบุญกริยาวัตถุเจ็ดอย่างนอกนี้เข้าในบุญกริยาวัตถุสามอย่างคือทานลไม่หนึ่งศีลละไม่หนึ่งภาวนามัยหนึ่งด้วยประการชนิก็ท่านอาจารย์ได้แสดงไว้ข้างต้นแล้วอย่างนี้เหมือนกัน รูปราวจรกุศลกรรมชื่อว่าเป็นมโนกรรมอย่างเดียวเพราะไม่เป็นไปในกายทวารเป็นต้นเหตุไม่มีการยังวิญญจติให้ตั้งขึ้นและรูปราวจรกุศลกรรมนั้นชื่อว่าสำเร็จมาจากภาวนาเพราะไม่เป็นไปด้วยอำนาจทานามัยบุญกิริยาวัตถุเป็นต้นชื่อว่าถึงอปปนาแล้วเพราะกุศลกรรมทั้งหลายที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้นเป็นกามาวจร บทว่าชาณังคะเพเทนะความว่าก็แม้เมื่อรูปราวจรกุศลกรรมนั้นมีหลายประการโดยความต่างแห่งปฏิปทาเป็นต้นรูปราวจรกุศลกรรมนั้นก็มีห้าอย่างโดยประเภทแห่งองค์ชาตที่บังเกิดด้วยอำนาจล่วงเลยองค์บทว่าอารัมพนะเพเทนะความว่าโดยประเภทแห่งอารมณ์สี่เหล่านี้คือ อารมณ์สี่อย่างคืออากาศที่เพิกกรสินหนึ่งวิญญาณซึ่งมีอาการเป็นอารมณ์หนึ่งความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นหนึ่งวิญญาณซึ่งมีความไม่มีแห่งวิญญาณนั้นเป็นอารมณ์หนึ่งบทว่าเอถะความว่าบรรดากรรมสี่อย่างด้วยอำนาจสถานที่ให้ผลเหล่านี้บทว่าอุทัจจารหิตังความว่าอากุศลกรรมสิบเอ็ดอย่าง เว้นจากเจตนาที่สรคตด้วยอุทธัจจะเจตสิกถามว่าก็อะไรเป็นเหตุในคนํานี้ว่าอากุศลกรรมที่สรคตด้วยวิจิกิจชาเจตสิกแม้จะมีพลังเพลากว่าอากุศลกรรมทั้งหมดเพราะเว้นจากอธิโมกเจตสิกก็ย่อมชักปฏิสนธิมาได้อกุศลกรรมที่สรคตด้วยอุทธัจจะเจตสิกแม้จะมีพลัง แรงกว่าอากุศลกรรมที่สรกตด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกนั้นเพราะประกอบด้วยอธิโมกเจตสิกก็ย่อมชักปฏิสนธินั้นมาไม่ได้ดังนี้ตอบว่าเพราะอากุศลกรรมที่สกักระตด้วยอุทธะเจตสิกนั้นไม่มีสภาวะคือการให้ปฏิสนธิ ความจริงในกรรมทั้งหลายที่มีสภาวะคือการให้ปฏิสนธินั่นเองก็ยังมีข้อที่ควรพิจารณาดังนี้ว่ากรรมที่มีพลังแรงย่อมชักปฏิสนธิมาได้กรรมที่มีพลังอ่อนย่อมชักปฏิสนธิมาไม่ได้ส่วนกรรมใดไม่มีสภาวะคือการให้ปฏิสนธิเลยกรรมนั้นถึงจะมีพลังแรง ก็ไม่เป็นเหตุในการชักปฏิสนธิมาถามว่าก็พวกเราจะพึงทราบถึงคำนี้ได้อย่างไรว่าอากุศลกรรมที่สอนรคตรด้วยอุตจาเจตสิกไม่มีสภาวะคือการให้ปฏิสนธิตอบว่าบัณฑิต ท, ทั้งหลายพึงทราบถึงคำนี้ได้เพราะอากุศลกรรมที่สอนรคตรด้วยอุตจาเจตสิกนั้น มิได้มาในหมวดอากุศลธรรมอันทัศนะวงเล็เปิดโสดาปฏิมาวงเล็ปิดพึงละความจริงอากุศลธรรมมีสาหมวดคืออากุศลธรรมอันทัศนะพึงละหมวดหนึ่งอากุศลธรรมอันภาวนาพึงละหมวดหนึ่งอากุศลธรรมบางทีอันท <ran nhưng S 2> <ran> ัศนะพึงละบางทีอันภาวนาพึงละหมวดหนึ่ง บรรดาอากุศลธรรมสาหมวดนั้นจิตตุบาทที่สระคตด้วยทิฏฐิและจิตตุบาทที่สระคตด้วยวิจิกิจฉาชื่อว่าอากุศลธรรมอันทัศนะพึงละเพราะเป็นสภาวธรรมอันโสดาปติมัติซึ่งได้นามว่าทัศนะ์ด้วยอำนาจเห็นพระนิพพานก่อนพึงละจิตตุบาทที่สรคตด้วยอุทจัจเจตสิกชื่อว่าอกุศลธรรมอันภาวนาพึงละ เพราะเป็นสภาวธรรมอันอรหัตมักพึงละความจริงมักสามประการเบื้องสูงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าภาวนาเพราะเป็นไปด้วยอำนาจภาวนาในพระนิพพานอันโสดาปฏิมักเห็นแล้วส่วนจิตุบาที่เป็นทิฏฐิวิปยุตและจิตุบาทที่สรคตด้วยโทมนัต ชื่อว่าอากุศลธรรมบางทีอันทัศนะพึงละบางทีอันภาวนาพึงละเพราะข้อกำหนดกิเลสที่ให้สัตว์บังเกิดในอบายภูมิแห่งจิตตุบาทที่เป็นทิฏฐิวิปยุตและจิตตุบาทที่สรคตด้วยโทมนัสเหล่านั้นอันโสดาปฏิมักละไดในวงเล็บและเพราะ ข้อกําหนดกิเลส ท, ที่หนาแน่นซับซ้อนที่เหลืออันมักเบื้องสูงทั้งหลายละได้บรรดอาอกุศลธรรมสามหมวดนั้นแม้อกุศลธรรมบางที่อันทัศนะพึงละท่านอาจารย์ทั้งหลายก็เรียกว่าอันทัศนะพึงละในคําว่าทัศเนนะปะหาตับเพสุนี้โดยความเป็นสภาวธรรมอันทัศนะพึงละเหมือนกัน ก็ท่าว่าอากุศลกรรมที่สระคด้วยอุตจาเจตสิกพึงให้ปฏิสนธิได้ไซในการนั้นอกุศลกรรมที่สระคตด้วยอุตจาเจตสิกนั้นพึงให้ปฏิสนธิในอบายภูมิเท่านั้นเพราะปฏิสนธิแห่งอกุศลกรรมไม่เกิดมีในสุขติภูมิก็อกุศลกรรมที่ให้สัตว์ไปสู่อบายภูมิจะต้องเป็นอกุศลกรรมอันทัศนะพึงละแน่แท้ เมื่อกําหนดเนื้อความนอกไปจากนี้พระเศคบุูคลทั้งหลายจะต้องเกิดในอบายภูมิเพราะอย่างละอกุศนลกรรมที่ให้สัตว์ไปสู่อบายภูมิไม่ได้ก็แลการที่พระเศคบุูคลทั้งหลายจะต้องเกิดในอบายภูมินี้ย่อมไม่ถูกเพราะผิดกับพระพุทธพจน์เป็นต้นว่าก็พระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายภูมิสี่ เป็นผู้ไม่ตกลงสู่เบื้องกรรมเป็นธรรมดาดังนี้ก็แลเมื่อภาวะที่อกุศลกรรมที่สรคด้วยอุทจเจตสิกนั้นอันทัศนะพึงละมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงกรัดอกุศลกรรมที่สรคด้วยอุทะจเจตสิกนั้นไว้ในวิพังแห่งคำนี้ว่าสิยาทัศเนนะปะหาตับพา ก็แลอกุศลกรรมที่สอรคตรด้วยอุทจจเจตสิกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัสไว้แล้วถ้าพึงมีคำท้วงว่าเพราะกิเลสทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในหมวดอกคุสุลธรรมอันทัศนะพึงละอย่างนี้ว่าราคะโทสะโมหะและกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในประเภทเดียวกันกันกบราคะเป็นต้นนั้น ที่ให้สัตว์ไปสู่อบายภูมิดังนี้เป็นต้นบัณฑิตจึงสามารถทำการรวมเจตนาที่สระคตด้วยอุทจจเจตสิกเข้าในหมวดอกุศลธรรมอันทัศนพึงละนั้นได้พึงมีคำตอบว่าข้อนั้นไม่พึงมีเพราะอากุศลกรรมที่สระคตด้วยอุทจจเจตสิกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ โดยความเป็นอกุศลกรรมอันภาวนาพึงละโดยแน่นอนนั่นเองสมจริงดังพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าทำทั้งหลายอันภาวนาพึงละเป็นไนคือจิตุบาทที่สรคตด้วยอุทธะเจตสิกดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น การไม่ตรัสอากุศลกรรมที่สราคตด้วยอุท ธ, ธาจเจตสิกนั้นไว้ในหมวดอากุศลธรรมอันทัศนะพึงละนั่นแหละย่อมให้สำเร็จความว่าอากุศลกรรมที่สรคตรด้วยอุท ธ, ธาจเจตสิกนี้ไม่มีการให้ปฏิสนธิถามว่าก็ในปฏิสัมพิทาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกจิตุบาทที่สรคตรด้วยอุทธาจเจตสิกขึ้น แล้วทรงยกแม้วิบากแห่งจิตุบาทที่สรัรคตด้วยอุทธจาเจตสิกนั้นขึ้นแสดงไว้อย่างนี้ว่าในสมัยใดอคุศลจิตที่สรคตด้วยอุเบคาสัมปยุตด้วยอุธทธจารเจตสิกปรารภรูปารมและธรรมมารมก็หรือว่าอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยนั้นย่อมมีผสระละ มีความไม่ฝุงส้านธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอะกุศลธรรมญาณในธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมปาติสัมพิทาญาณในวิบากแห่งธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอัตตปาติสัมพิทาดังนี้มิใช่หรือเพราะเหตุนั้นพวกขันจะพึงรับรองว่าจิตตุบา ท, ที่สรคด้วย อุทจจะเจตสิกนั้นไม่มีการให้ปฏิสนธิได้อย่างไรตอบว่าวิบากห่งจิตุบาทที่สระกดด้วยอุทจจะเจตสิกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นแสดงมุ่งถึงการให้ปฏิสนธิจิตหาไม่ได้โดยที่แท้ทรงยกขึ้นแสดงโดยมุ่งถึงวิบากจิตในประวัติการ ส่วนในคำพีปัจฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกความที่เจตนาอันโสดาปฏิมคพึงละนั้นแหละเป็นกรรมปัจจัยที่เกิดร่วมกันและเกิดในขณะต่างกันขึ้นแสดงว่าเจตนาที่เกิดร่วมกันอันโสดาปฏิมคพึงละเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุดฐานโดยกรรมปัจจัย เจตนาที่เกิดในขณะต่างกันอันโสดาปฏิมาพึงละเป็นปัจจัยแก่วิบาคันและกระตัตนตารูปโดยกรรมะปัจจัยแล้วส่งยกเฉพาะความที่เจตนาอันภาวนาพึงละเป็นกรรมปัจจัยที่เกิดร่วมกันขึ้นแสดงว่าเจตนาที่เกิดร่วมกันอันภาวนาพึงละเป็นปัจจัยแก่รูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุดฐานโดยกรรมปัจจัย ดังนี้แต่หาทรงยกความที่จิตุบาทที่ส่อระคดด้วยอุทะจะเจตสิกเป็นกรรมปัจจัยที่เกิดในขณะต่างกันขึ้นแสดงไม่ก็จิตุบาทที่สระคดด้วยอุทะจะเจตสิกเว้นเจตนาที่เป็นกรรมปัจจัยที่เกิดในขณะต่างกันเสียหาชักปฏิสนธิจิตมาได้ไม่เพราะฉะนั้น จิตุบา ท, ที่สะรคตรด้วยอุทธะจาเจตสิกนั้นจึงไม่มีการให้ปฏิสนธิแม้โดยประการทั้งปวงและฝ่ายอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวคำใดไว้ว่าเจตนาในวงเล็บ จ, จิตที่สะรคตรด้วยอุทธะจ่าเจตสิกย่อมไม่ให้แม้วิบากทั้งสองอย่าง เพราะในคำพีปฐานพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงยกเจตนาอันภาวนาพึงละว่าเป็นกรรมมะปัจจัยที่เกิดในขณะต่างกันขึ้นแสดงไว้ดังนี้คำนั้นเป็นเพียงมติของอาจารย์พวกหนึ่งเหล่านั้นเพราะในคำพีปฏิสัมพิทาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกวิบากในประวัติการ แม้แห่งอกุศลกรรมทั้งหลายที่สรครด้วยอุทธาจาเจตสิกขึ้นแสดงไว้และเพราะในคำพีปัฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงความไม่มีวิบากในปฏิสนธิการเท่านั้นจึงไม่ทรงยกเจตนาอันทศนะวงและเปิดคือโสดาปฏิมาวงและปิดพึงละว่าเป็นกรรมปัจจัยที่เกิดในขณะต่างกันขึ้นแสดงไว้ก็ ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงหมายถึงวิบากในประวัติการแล้วตรัสว่าเจตนาอันทัศนะพึงละเป็นกรร ม, มปัจจัยที่เกิดในขณะต่างกันไซในการนั้นชนผู้ฟังทั้งหลายจะพึงเข้าใจอกุศ ล, ลกรรมที่สรคตด้วยอุทธะเจตสิกนั้นว่ามีวิบากในปฏิสนธิการด้วย เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสว่าเจตนาอันภาวนาพึงละเป็นกรรมปัจจัยที่เกิดในขณะต่างกันด้วยอำนาจวิบากในประวัติการแม้ที่หาได้อยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ทั้งหลายบางพวกจึงไม่สามารถจะห้ามวิบากในประวัติการแห่งเจตนากรรมที่ส่อรคตรด้วยอุทธะเจตสิกนั้นได้ เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวว่าประวัติยามปณะนะดังนี้เป็นต้นส่วนอาจารย์ทั้งหลายมีอาจารย์พุทธมิตรเป็นต้นจำแนกเจตนากรรมที่สอระคด้วยอุทธะเจตสิกออกเป็นสองประการอย่างนี้ว่าเจตนากรรมที่สอระคด้วยอุทธะเจตสิกอันภาวนาพึงละก็มีไม่ใช่อันภาวนาพึงละก็มี บรรดาเจตนากรรมสองอย่างนั้นเจตนากรรมอันภาวนาพึงละเป็นไปในสันดานของพระเศขบุคคลเจตนากรรมไม่ใช่อันภาวนาพึงละนอกนี้เป็นไปในสันดานของปุถุชนส่วนการให้ผลมีเฉพาะเจตนากรรมที่เป็นไปในสันดานของปุถุชนเท่านั้น หามีแก่เจตนากรรมที่เป็นไปในสันดานของพระเศกบุคคลนอกนี้ไม่ดังนี้แล้วพันานาว่าเจตนากรรมอย่างหนึ่งให้วิบากทั้งสองอย่างเจตนากรรมอีกอย่างหนึ่งไม่มีวิบากแม้โดยประการทั้งปวงก็ในคำว่าอธิอุทจจะสาขตังเปเนตระสะนี้ ข้อวินิจฉัยของพระอาจารย์พุทธมิตรเป็นต้นเหล่านั้นอันใดการคัดค้านข้อวินิจฉัยของอาจารย์พุทธมิตรเป็นต้นนั้นอันใดและการปฏิเสธมติของอาจารย์ทั้งหลายผู้มีปกติกล่าวว่าเจตนากรรมที่สรคตร ด, ด้วยอุตจาเจตสิกนั้นไม่มีวิบากแม้โดยประการทั้งปวงอันใดอันข้าพระเจ้ามิได้กล่าวไว้ในดีกานี้ข้อวินิจฉัยเป็นต้นนั้นทั้งหมด บันดิตพึงทราบตามนัยยะที่ท่านกล่าวไว้ในคำพีทั้งหลายมีคำพีปรมาธรรมมัญชุษาเป็นต้นและตามที่ท่านกล่าวไว้โดยพิสดารในดีกาอภิธรรมมาวตาลชื่อว่าอภิธรรมมัทธะปกาศินีสองบทว่าสพัทถาปิกามะโลเกขวาว่าในโลกที่เป็นกา마วจรแม้ทั้งหมดด้วยอำนาจสุขติและทุคติ บทว่ายถารหังคือสมควรแก่ทวารและอารมณ์วิบากจิตซึ่งมีมหาสมบัติเป็นอารมณ์ที่เกิดแก่พวกอเหตุกษัตรย์มีนาคและครุฑเป็นต้นและวิบากจิตที่เกิดแก่พวกสัตว์นรกในเพราะเหตุทั้งหลายมีเห็นพระมหาโมกขลานาเถระเป็นต้นแม้ในอบายภูมินั้นก็เป็นผลแห่งกุศ ล, ลกรรมนั่นแหละ จริงอยู่อกุศลกรรมจะเกิดวิบากที่น่าปรารถนาไม่ได้แลสมจริงดังพระํำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่อกุศลกรรมมีวิบากน่าปรารถนาน่าใครนี้ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น กุศลกรรมจึงให้อเหตุกาวิบากเกิดได้แม้ในอบายภูมิและให้อหตทุกาวิบากเหล่านั้นซึ่งมีรูปเป็นต้นเป็นอารมณ์สำเร็จได้ตามสมควรแม้ในโลกที่เป็นรูปาวจรเพราะการเกิดขึ้นแห่งอหตุกาวิบากด้วยรูปาวจรกรรมไม่มีเหตุที่กรรมในภูมิอื่นจะมีวิบากในภูมิอื่นไม่ได้ เพราะไม่ประกอบด้วยความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจิตซึ่งมีกามตัณหาเป็นอารมณ์ด้วยภาวนาเป็นเครื่องสำรอกกามและเหตุที่มากตะกุศลและโลกุตรกุศลต่างก็มีวิบากเหมือนกันแน่นอนเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุต ธ, ธาจารย์จึงกล่าวคำว่าสัพพัฏฐาปิกามะโลเกดังนี้เป็นต้น ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงว่าก็กรรมเมื่อจะผลติตผลอย่างนั้นย่อมผลติตผลเป็นสามหมวดคือวิบากกิจสิบหกดวงหมวดหนึ่งวิบากกิจสิบสองดวงหมวดหนึ่งวิบากกิตแปดวงหมวดหนึ่งจึงกล่าวคําว่าตัทาปิดังนี้เป็นต้นบทว่าตัทาปิได้แก่บรรดากุศลกรรมแม้ที่ผลติตผลอยู่อย่างนี้ บทว่าอุกกระถังความว่าชื่อว่าอันพิเศษสุดเพราะได้กุศลเป็นบริวารหรือเพราะความเป็นไปแห่งความเสษคุนในภายหลังความจริงกรรมใดอันกุศลละกรรมทั้งหลายที่เป็นไปในการเบื้องต้นและการภายหลังแวดล้อมแล้วในประวัติการแห่งตนหรืออันบุคคลสั่งสมเนื่อง โดยได้ความเสพคุณนี้ในภายหลังกรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมอุกฤษส่วนกรรมใดอันอกุศลกรรมทั้งหลายแวดล้อมในเวลากระทาหรือในเวลาภายหลังอันบุคคลให้เจริญแล้วโดยการยังความเดือดร้อนใจให้เกิดขึ้นว่ากรรมนี้เราทำไว้แล้วไม่ดีดังนี้กรรมนั้นพึงเห็นว่า เป็นกรรมอันสามบวชว่าปฏิสนธิได้แก่ซึ่งปฏิสนธิครั้งเดียวเท่านั้นความจริงปฏิสนธิจิตย่อมมีในชาติเป็นอันมากด้วยกรรมอันเดียวกันหามิได้แต่วิบากในประวัติการย่อมมีได้ตั้งร้อยชาติพันชาติเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ให้ทานในสัตว์เดรัจฉานพึงหวังอานิสง์หนึ่งร้อยเท่าดังนี้เป็นต้นก็เพราะยาเป็นปฏิปัติต่อโมหะหรือต่ออกุศลทั้งปวงนั่นเทียวอันมีวิบัติแห่งคนบอดแต่กำเนิดเป็นต้นเป็นนิมิตฉะนั้นกรรมอันสมประยุทธ์ ด, ด้วยยา น, นั้นจึงไม่เป็นปัจจัยแก่วิบัติมีบอดแต่กำเนิดเป็นต้น เหตุนั้นบรรดาติเหตุกกรรมและทุเหตุกกรรมนี้ติเหตุกกรรมแม้จะทุรพลอย่างยิ่งก็ยังชักพาทุเหตุกปฏิสนติมาได้นั่นเองไม่ชักพาไอเหตุกปฏิสนธิมาส่วนทุเหตุกกรรมไม่สามารถในอันยังวิบากอันสัมปยุต ด้วยยานให้เกิดเพราะไม่มีความประกอบด้วยยานเหมือนดังอะกุศลกรรมไม่สามารถในการให้วิบากอันสมประยุดด้วยอโลภะให้เกิดเพราะไม่มีความประกอบด้วยอโลภะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุเหตุุกรรมนั้นแม้จะอุกกริตอย่างยิ่งก็ชักพาทุเหตุุกะปฏิสนธิเท่านั้นมาได้ ชักพาติเหตุุกกปฏิสนธิมาไม่ได้เพราะเหตุนั้นพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวไว้เป็นต้นว่าติเหตุุกกรรมอย่างเพลาและทุเหตุุกกรรมอย่างอุกฤตในอธิการที่ติเหตุุกกรรมชักพาทุเหตุุกกปฏิสนธิมานี้เพิ่งมีคำท้วงว่าเหมือนอย่างในปะสสัมพิธามรกพระสารีบุตรเถระ กล่าวถึงการเกิดแห่งวิบากจิตอันสัมปยุตด้วยญาณเพราะปัจจัยแห่งเหตุแปประการคือสามประการในโชนาขณะแห่งกุศลกรรมสองประการในนิกันติขณะและสามประการในปฏิสนธิขณะว่าความเกิดแห่งวิบากจิตอันสัมปยุตด้วยญาณย่อมมีเพราะปัจจัยแห่งเหตุแปดประการ ในเมื่อมีความถึงพร้อมแห่งคติในเมื่อปฏิสนธิอันสัมปยุตด้วยยานอันติเหตุกกรรมพึงให้สําเร็จอันหนึ่งกล่าวความเกิดขึ้นแห่งวิบากจิตอันเป็นญาณวิปยุตเพราะปัจจัยแห่งเหตุหประการคือในชวนะขณะสองประการในนิกันติขณะสองประการในปฏิสนธิขณะสองประการว่าความเกิดขึ้น แห่งทุเหตุกกวิบากย่อมมีเพราะปัจจัยแห่งเหตุหกประการในเมื่อมีความถึงพร้อมแห่งคติในเมื่อปฏิสนธิอันปราศจากยานอันทุเหตุกกรรมพึงให้สำเร็จฉันใดการที่ติเหตุกกรรมจักนำทุเหตุกกาปฏิสนธิมาเป็นอันว่าไม่มีฉันนั้นเพราะทุเหตุกกปฏิสนธิพระสารีบุตรเถระ ไม่ได้กล่าวไว้โดยติเหตุกกรรมว่าการเกิดแห่งทุเหตุกรรวิบากย่อมมีเพราะปัจจัยแห่งเหตุเจ็ดประการในเมื่อความถึงพร้อมแห่งคติและปฏิสนธิที่ปราศจากยานอันติเหตุ ก, กรรมพึงให้สำเร็จดังนี้ฉเฉลยว่าติเหตุ ก, กรรมนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะติเหตุ ก, กรรมอย่างเพลาพึงให้ทุเหตุกปรปฏิสนธิเท่านั้นตามสมควรแก่ความสามารถเหมือนทุเหตุ ก, กรรมอย่างเพลาพึงให้อเหตุกปฏิสนธิฉะนั้นก็ปาถะอันเป็นไปกับด้วยส่วนเหลือพระหมหาเถระกระทาไว้เพื่อแสดงวิบากที่เหมือนกับกรรมเมื่อกําหนดเนื้อความนอกไปจากนี้บัณฑิต พึงเห็นสันนิษฐานว่าเพราะไม่มีคำว่าจตุนนังเหตุนังปัจจยาวงและเปิดเพราะปัจจัยแห่งเหตุสี่ประการวงและปิดแม้ความเกิดแห่งอเหตุกะวิบากด้วยทุเหตุุกรรมก็ต้องไม่มีเพราะฉะนั้น พระมหาเถระจึงเว้นความเกิดแห่งอเหตุกัวิบากด้วยความวิบัติมีตาบอดและหูหนวกแก่กําเนิดเป็นต้นในสุขติเสียแล้วยกเฉพาะความเกิดแห่งทุเหตุกัวิบากด้วยทุเหตุกุกรรมเพื่อแสดงความเกิดแห่งสเหตุกัวิบากในเมื่อมีความพร้อมแห่งคติไม่ยกความเกิดแห่งอเหตุุกัวิบากฉั้นใด ยกเฉพาะความเกิดแห่งติเหตุกกวิบากด้วยติเหตุ ก, กรรมเพื่อแสดงวิบากที่เหมือนกับกรรมไม่ยกความเกิดแห่งทุเหตุกกวิบากฉะนนั้นแต่ที่ไม่ยกขึ้นไม่ใช่เพราะหาไม่ได้ท่านพระอนุรุตตาจารย์ ครั้งแสดงความเป็นไปแห่งวิบากกจิตด้วยอํานาจวาทะของพระจุลนาเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกที่เป็นไปแล้วว่าจิตดวงหนึ่งมีวิบากจิตสิบกดวงเฉพาะในกรรมที่กุศ ล, ลจิตดวงหนึ่งประมวลมาแล้วนี้มีวิบากกจิตเพียงสิบสองดวงหมวดหนึ่งทั้งมีอเหตุกาวิบากกจิตแปดดวงหมวดหนึ่งดังนี้ดังพรรนานามาชะนี้แล้ว บัดนี้หวังจะแสดงความเป็นไปแห่งวิบากจิตด้วยอานาจแม้แห่งวาทะของพระมหาธรรมรักขิตเถระผู้อยู่ที่โมระวาปีวิหารที่มาแล้วว่าจิตดวงหนึ่งมีวิบากจิตสิบสองดวงเฉพาะในกรรมที่กุศลและจิตดวงหนึ่งประมวลมาแล้วนี้มีวิบากจิตสิบดวงหมวดหนึ่ง ทั้งมีอเหตุกาวิบากจิตแปดดวงหมวดหนึ่งดังนี้จึงกล่าวคำว่าอสังขารังสสังขาระวิปาการนิดังนี้เป็นต้นในคาถานี้มีอธิบายความดังนี้ว่าเมื่อดวงหน้าไหวแล้วเงาหน้าที่พื้นกระจกย่อมไหวตามฉันใดกุศลกรรมที่เป็นอสังคาริกก็ฉันนั้น ย่อมมีวิบากเป็นสังขาริกเท่านั้นหามีวิบากเป็นสังขาริกไม่รวมความดังกล่าวมาแล้วนี้ความต่างกันแห่งวิบา ก, กจิตที่เป็นสังขาริกย่อมมีโดยกรรมเป็นเหตุมาเท่านั้นก็เพราะความต่างกันแห่งสังขารแห่งวิบาท่านพระอนุรุทธาาจารย์ปรารถนาแล้วด้วยอำนาจแห่งปัจจัย หาปรารถนาด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ฉะนั้นวาทะที่ว่าอสังขารังสสังขารวิปากานิดังนี้เป็นต้นนั้นท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงแต่งไว้ว่าเป็นเกจิวาทะบทว่าเตสังได้แก่ของอาจารย์ทั้งหลายผู้มีปกติกล่าวอย่างนั้นเหล่านั้น บทว่ายถากมังได้แก่โดยลำดับกุศลกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างอุกฤษเป็นต้นข้อว่าทวารทศวิปากานิเป็นต้นความว่าบัณฑิตพึงยกขึ้นแสดงวิบากจิตสิบสองดวงซึ่งเว้นวิบากจิตที่เป็นสสังขาริกสี่ดวงสำหรับกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างอุกฤษซึ่งเป็นฝ่ายอสังขาริก และเว้นวิบากจิตที่เป็นอะสังขาริกสี่ดวงสำหรับกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างอุกฤษซึ่งเป็นฝ่ายสะสังขาริกตามลำดับอัหนึ่งพึงยกขึ้นแสดงวิบากจิตสิบดวงที่เว้นวิบากจิตที่เป็นทวิเหตุกะซึ่งเป็นสะสังขาริกสองดวงสาหรับกรรมที่เป็นติเหตุกะอย่างเพลาและ เว้นวิบากจิตที่เป็นทวิเหตุกะซึ่งเป็นอสังขาริกสองดวงสำหรับกรรมที่เป็นทวิเหตุกะอย่างอุกริตและพึงยกขึ้นแสดงวิบากจิตแปดดวงที่เว้นวิบากจิตที่เป็นทุเหตุกะสองดวงสำหรับกรรมที่เป็นทวิเหตุกะอย่างเพลาตามทํานองคือตามแนว แห่งนัยยะตามที่กล่าวแล้วคือแห่งนัยยะที่กล่าวไว้โดยนัยยะเป็นต้นว่าติเหตุกะมุกกดถังดังนี้ตามกำเนิดคือโดยสมควรแก่กำเนิดแห่งนัยยะนั้นนั้น